กายดูใจเป็นไปสบายเนี่ยนกายสบายใจสบายนี่มันสบายจิตก็หยุด้่ก็เป็นนิานให้อยู่หยุดพักโยโย่โยไม่ต้องมีคามต้องการไม่ต้องการอะไรไม่ต้องไปมีปกติปกติริหยุดอยู่พักอยู่หยุดย หมายนี้พายมันนู่จิตใจมันหยุดนนเอมันหยุดได้นะถ้าไม่หยุดแ้วมันจะโปรงแจงไปเรื่อยๆนั่นมันชุบแล้วพอเราก็อย่าไปห้ามมันจะไปห้ามมันจะไปตังคับมันก็ไม่ได้แต่เรารู้ท่านนี้พราะเรารู้มันหยุดได้มันจะไปห้ามให้รู้ทรานี้เหนื่ยนะคับว่ารู้ตัวูตัวก็รู้จิดลูใจของมัน เห็นความรู้สึกของเราไม่หยุดอันนี้เราต้องฝึกอันนี้เวลาจะตาดวงหัฟังจะทาการทำงานจะต้องเห็นความรู้สึกอันะะนี้ก็เห็นต้องนี่แหละอันะะอไไนี้เรี่าไม่ง่ายต้องฝึกค้ย น, นต้องเอาใจใส่น่อยๆจะวนมากมันไม่อยู่อ่ะมันไม่ค่อเห็นนะจะไปเห็นอย่างอื่นม จะลืมอันน hmm? ี้หร่าลืมอันนี้ไม่เห็นันนีพาเคยชินที่ไอะไรตแล้วนจะลืมายนี่ายใจก็รี่เราต้องฝึกสติมสติเรามายถึอย่าลืมนี้อเลกรู้อันนี้อย่างนั้น มันก็ย่ลืม่ะเราเคยลองเคยเน้อยากมันดยื่เดินนั่งนอนเคยรู้นนกะทำจนไม่ลืมเลยนภาหัาหจะไม่ลืมเลยเห็นจิตเห็นใจอยู่ตลอดเวลาเลยมันก็ปูงแต่ไม่ได้อะไรอะไรก็มาปูงแตงจิตไม่ได้ เพราะมันหยุดอ่ะเดี๋ยวมันหยุดแตนี่มันไม่หยุดอ่ะเราไม่รู้มันก็ไม่หยุดอ่ะกปแดงนี่แหละทุกมันยุตรงนี้ปูแดงไก็เกิดทุกเกิดยินดียินไล่ทุกข์ทั้งนั้นพอใจไม่พอใจก็ทุกข์ทั้งนั้น ต้องการไม่ต้องการจะทุกข์มันทำไมต้องมีอะไรเฉยเชอะตัว อ, อะไรเป็นอะไรควรให้เป็นไปยังไงลุกเป็นไปสบายทีมก็นน อ, อย่าเห็นผิดยังไงเปลื่อนไหวไปทีเบามือเบาแขนดีหายใ จ, จยังไงกระอโปร่งร่องอกร่งใจดีให้อันไม่กา้นพยายามดูตัวนี้ พอเราโลยอยู่อย่างนี้เดินหไหวก็จะสบายนั่งอยู่ก็สบายขยับแข่งขยับขาให้มสบายนะไม่สบา ย, ยครับขยับเนื้อขยับตัวให้มันสบายขยับแข่งขยับขาสบายจิตใจมันก็โลยอย่า ง, า ง, งไม่อันไม่กั้นร่างกายก็ไม่เกรงเนื้อเกรงตัวเนี่ยมันไม่มีมากนะมารู้อย่างนี้้ หายลอยต่อเนื่องต่อเนื่องมัไม่มีเฉยเฉยปกติมีรักษาศีลไม่ต้องไปรักษาหลายๆข้อรักษาจิตใจเราให้ปกตินะจิตใจปกตินะได้หมดศิลนะไม่ทวนเลยพอปกติมันก็กิเลสมันเกิดไม่ได้มันไม่มีกิเลนน หรือตมันหยุดอยู่มันพักอยู่ยุดความรู้สึกมันหยุดเห็นความรู้สึกของเรามันหยุดสังเกตดีๆส่วนมากเราจะไม่แนนนจิมันไม่ค่อหยุดความรู้สึกของเรามันไม่หยุดมันจะรู้สึกใจนนรู้สึกใจนนรู้สึกนีรู้สึกนั้นอย่างนี้านอย่างนี้อะรรู้สึกไปเรื่อยๆนั่นเรื่อยคิดกระดคิดก คิดถึงเรื่องนันเรื่องนี้เดี๋ยวเขาเปิดพอใจพอใจอลไรอย่งนี้เดี๋ยว ม, ยยยยมันสร้างทุกขึ้นมาแล้วเกิดปีเลียแล้วมันพอมาลู้อย่างนี้ไม่ต้องละอะไรลหมดไม่มีโลคาาา้าโลาโมห์มีสะบายพอโบยไม่อ่านไม่กั น, นก็ เป็นความปล่อยความมาติดมันปล่อยมันมาติดมันไม่ติดมันไม่ยึดมันหลุดมันพ้นทามาหลุดพ้นพค น, ค น, ค น, คนทุกข์นี่พนจะกความคิดปูงแต่งพ้นจากอะไรโอ้มันเบาแล้วก็เราธรรมดาไม่มารู้อย่างนี้มันจะหนักอกหนักใจอยู่ด้วยบางทีก็ไม่รู้มันหนัก แต่ต้องมาเห็นอันนี้แล้วถึงเห็นต่างกันถึงเห็นโอ้ยหนักกับเบาต่างกันเยอะเมันปล่อยได้มันวางได้แต่มันไม่ปล่อยมันยึดมันติดมันผูกพันมันเกาะเกี่ยวมันมกมุ่นหนัก ต้อมเห็นผิดปล่อยเนี่ยถึงจะเข้าใจได้ถึงจะรู้จักว่าโอ้โี่คนทุกคนภาละมันไม่มีไม่มีภาละแตธรรมดาถุกใจเราแต่มันจะมีภาละมันมีภาละมันมีทุกมีทุกต้องมีภาละอยู่ผิดมันไม่ว่า มีอะไรอะไรมีมาอย่างนี้มันหยุดได้มันไม่มีว่าอยากอะไรไม่มีอะไม่มียินดียินร่อยต้องการไม่ต้องการก็ไม่มีพอใจไม่พอใจก็ไม่มีอยากไม่อยากก็ไม่มีอย่างนี้เลยทุกคนขอใเราดูสังเกตดูใดีๆ อันนี้ไม่ต้องไปทำให้มันไม่ต้องทำเพียงแต่เรามาสังเกตดูามสดูดูเฉยเดูคามรู้สึกเฉเราดูเฉยก็หมายถึงเฉยเแบบท่ากีมีความตงไม่างอย่าวิพากวิจารดูเฉยเดูว่าิเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ามรู้สึกเป็นมันสงบแล้วไม่สงบดูเฉยเฉย เฉยได้หยุดงานเยอะเฉยได้หยุดได้คนเราที่มันมีทุกมีหายแลวนไในจตใจมันจะมีอยู่เร่ยๆไม่ว่างงุนเรื่องนั้นเรื่องนี้พมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ มันไม่มีอะไรที่ถูกอกถูกใจทักอย่างไปยา่งหาเิ็นที่ถูกอกถูกใจกออกกใ จ, จะได้มีความสุขยิ่งหา ไ, ได้ดยิง่งทุกขยิ่งหาได้ยิ่งทุกขอันนี้ทำมันหยุดแล้วไม่ต้องเสาะแสบหาอะไรลแล้วมันมยิ่งเข้าใจปัญหามีมมการรู้ปัญหาทุกที อ๋อไม่เคยเห็นอ๋อเห็นอยู่ที่จิตใจแล้วนี่เองเนี่ยพระเจ้าเกิดด้วยมาถึงว่านี่พยายา่ชี้เนี่ยให้คนรู้จักจิตใจของตัวเองน้วว่าเนี่ยเกิดมาแล้วมันทุกข์ทำไม่รู้จักนี้แล้วมันทุกข์โยกับทุกข์ทุกขจนตายตายไงตายแล้วมันไม่จะตายแล้วจบะไม่จะตายแล้วคนทุกข์แล้อนะั <c oughs> นนั้นก็ติดตามไปเรื่อยไปยังมีความรู้สึกอีกนะ นี่ถ้ามันดับแล้วเนี่ยโอ้ตายไปแล้วสบายคนทุกคนภาระหมดแ ม, ม่พมีพอมีทุกมีภาระไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดนี่เขาเวียนว่ายตายเกิด น, น อ, อเนยี่องไปติตไปยึดมีก็เป็นทุกไม่มีก็ทุก ถ้าไม่รู้จักอันนี้ถ้ารู้จักมีก็ไม่ทุกไม่มีก็ไม่ทุกได้มากได้น้อยก็ไม่ทุกแล้วพอเราไม่รู้จักเราอยากจะได้มากๆถ้าได้น้อยก็ทุกมีได้มากได้น้อยก็ไม่ทุกหรือต้องเสียไปก็ไม่ทุกหรือมีอะไรเกิดขึ้นมาเฉยๆไม่ทุก เนี่ยมันเรียการู้เท่าทานจิตใจของเราคนเราเขาอากแต่ใจตัวเองนะกินขอกินอะไรอะไร็อยากกินอร่ออร่อยหาของอร่อยอร่อยทำอะไรอร่อยก็ไม่ถูกใจ่ะอาของยของงามงของเวยสของดีดีธรดาไ่ดีก็ไม่ถูกใจล่ะ เนี่ยมันจะติดอยู่อย่างเงี้ยงั้นถ้าเราบรรทอนกับสิ่งเหล่านี้โอ้หมดไม่ต้องมีอยากได้ไม่อยากได้เขาไม่ต้องมีอร่อยก็รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยก็รู้ว่าไม่อร่อยไปชี้เฉยอร่อยก็อย่างนั้นน่นไม่ติดไม่ติดไม่ยึดอร่อยก็อย่างนั้นไม่อร่อยก็อย่างนั้นสวยไม่สวยก็อย่างนั้น เสียงพ่อไปไป่านั Поэтому, Pero, ้นอย่างนั้นกินหอมหอมหรือเนก็อย่างนั้นอย่างนั้นไอ้สุกไอ้ทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นสงบไม่สงบอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีไม่มียินดียินลายใจไม่พอใจสิ่งที่กระทบสัมันเม่กระทบสัมพัธ์อะใจเราไปเฉยเฉยไม่ได พอเราโสดมากมันจะเฉยไม่ได้ไม่เฉยไม่ได้ก so ็เอาเดียกว่ะทบนี้กระทบหนยอยมันดหงิดน้ำานพุ้ช่าถึงไม่มีอะไรกระทบก็คิดนึกไปเอาในจิตก็พุ้มสางหรือแม้ว่าคิดนึกไปจิตก็ดิ้นลนโอ้โหพอลมาจริงพอลงถ้าไม่รู้จักพอมาลุยอย่างนี้หยุดได้น่าได้โอ้โหผมไม่เอาตรงอแล้ว พอทีกูไม่เอาแล้วเบื่อแล้วจำเจซ้ำซากอะไรสิ่งเหล่านี้มาเบื่อไหพอเราไม่รู้จักเบื่อไม่เบื่อตามใช่นะก็บุญต่อไปก็แล้วกันเดี๋ยวหลวงพ่อแกเอาแล้วพอบุญของมันมาพอแล้ว นี่พอเราเราทำมัรู้จักอันนี้ไม่อยู่เย็นเป็นสุขไม่อยู่เป็นสุขเรื่อยอยู่ไม่เป็นสุขโดยชีวิตคนนั้นจะอยู่ไม่เคยเป็นสุขถ้าไม่รู้จักนลมายถึงจิตใจนะจิตใจมันอยู่ไม่เคยเป็นสุขอันี้ถ้าเรารู้จักแล้ววันวานก็เป็นสุขนะยืนเดินนั่งนอนเป็นสุข ไม่ทุกขไม่ร้อน อ, อกร้อนใจไม่นัก อ, อกนักใจนี่แรกเรารู้จักที่จิตใจเร า, เราลองดูขอให้เรารู้จักมันจะหยุดเนทะ่านั้นมันก็ไม่ไปเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่จะไปห้ามหรือไปบังคับมันไม่ต้องเลยให้เรารู้เท่านั้นพรารู้แล้นะลมันหยุดถ้าไม่รู้แล้มันบุ่น เนี่ยเขาสังเกตด้วยเขาเห็นความรสหยุดยง่ายๆนะแต่ถ้ายังไม่เห็นอันนี้แล้วมันจะยากอ้เห็นบ้างเอออย่างนี้เราเราเขียนนะแต่ไม่เคยจะเผลอเคยจะลืมอันนี้เรากต้องเขียเนี่ยถึงมาสร้างจังหวะเพือให้ลืม เรเคลือไหเาม้วามไปเฉยอย่าไปหวังอะไรหรือไม่หวัหวัไม่หวัไม่ต้องมีามไปเฉยิไปเฉยเฉยทีมันไม่เฉยแล้วก็เฉยก็เฉยแล้วามรู้สึกมันไม่เฉยดูมันเฉยดูเฉยอย่าเดินไปกับมัน ส่วนมากมันดิ้นมันมีความรู้สึกมันไหลตามความรู้สึกหรือมีอารมณ์อะไรก็ไปเป็นไปตามอารมณ์นั้นอันนี้ถ้าเรารู้จักมันจะคิดนึกยังไงเรารู้มันไม่ไหลตามความคิดเดีู๋จักหรือคิดมันจะสบา จิตเฉยเไม่มีอะความรู้สึกไม่มีอะไรดูความรู้สึกของเราสังเกตดูความรู้สึกความรู้สึกมันไม่มีอะไรเนี่ย <c ười> ถ้าเห็นความรู้สึกที่ไม่มีอะไร น, ะนั่นแหะดูให้ต่อเนะืเร <c ười> ื่องไหว้ไปทีเยังเห็นอยู่หายใจเข้าหายใจออกยังเห็นอยู่ไม่มีอะไรจิตไม่มี อ, <c ười> อะไรปกติ พอส่วนลาบของเราจะอยู่กับพาคคิดคิดไปทำไปคิดนึกคิดไมันไม่เห็นไม่เห็นทามรู้สึกในนี้มันก็ก็ุนเลจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เฉยนนี้เราต้องอยาให้เห็นวาสของเราเห็นจิตของเราที่เฉยเวที่มันเฉยหรือลักษณะที่เฉยอันนี้ กรทสัมผัสกับอะไรสิงที่พอใจไม่พอใจดูที่ถ้าเราเฉยอยู่เห็นอันเฉยอันนี้ครัมันเฉยอยู่เห็นแล้วมันก็จะเฉยเฉยเห็นอะไรเฉยเฉยมันเป็นสัมมานี่ส่วนมากเห็นอะไรแล้วมันไม่เฉยอ่ะเกิดมียินดียินร้ายพอใจไม่พอใจต้องการไม่ต้องการเอาละบวงละ เรียกโถึงนิพพานนี่พานกี่เ็เฉยเฉยใช่เหืเฉยไม่ดานก็วุนยุ่งไม่วุ่นหรือไม่ทุกทังทีก็ไม่มีความก็ไม่เห็นความสุขไม่เห็นหอือมีความสุข พอทำงานเนี่ยวาทำงานดีแข่งขาเขาไม่ดีแต่ก็รู้สึกสบายจิตใจันไม่สบายแต่แข้งขาไม่สบายเลยบทีมันปวดมันเจ็บบางทีกวาดกวาดบางทีก็ต้องสิบนาทีสิบห้านาทีสิบนาทีนี่ต้องพักต้องนั่งแล้วก็เดี๋ยวนั่งแป๊บหนึ่งไปเยือนอยู่นึ่มัขานี่จะปวด ทั้งเก็บทั้งปวดนั่งเพืเดี๋ยวเอออพอนั่งก็คลายมันหายปวดหายปวดไปกวาาอีกอ่ะมันก็เริ่มปว ด, ดน้อยๆปว ด, ดน้อยๆอ๋อปวดหนะักก็ต้องหยุดหยืดมันนั่นนงอีกสิบนาทีสิบห้านาที ท, ที่ต้องต้นงหยุดแบบพักแต่ถ้านั่งนี้นั่งขับตะมาเนี้ซ้อนอย่างนี้จะไม่ค่อ ไม่เคยปวดถ้าหน้าพับเียมนีป่ปวดปวดกระดูกอันตายเราก็เฉยเฉยอมันปวดอย่างนี้เห็นมันปวดอ่ะแจิตใจยังรู้สึกสบายอยู่แต่ร่างกายไม่สบายมันปวดมันเจ็บปวดเข่ามันเจ็บมันปวดขาแข็งเจ็บปวดปวดเท่าแข้งขา เราไปเฉยๆก็กวปวดอย่างนี้อา น, นี้ก็เห็นมันปวดเราก็ไม่ไปต่อหน้าไม่ไปเกงไม่ไปเกงไม่ไปถึงน <c ười> ัน่ีมันปวด <c ười> มันล่าถ้าเป็นเราปวดนี่ น, นี่ทุกแรกนี่เราไม่ทุกนี่อย่างนี้ควทวาคเทนี่มันเหมนบอกว่า ให้เห็นว no, right. like ่าไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้เราไม่ก็ไปบอกว่าเป็นตัวเราแล้วของเราให้เห็นมันเจ็บมันตัวอย่างนี้อย่างเงี้ยมันเจ็บก็มันเจ็บก็ส่วนเจ็บใจเราก็สบายเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีเราแล้วเงี้ยไม่ใช่ตัวเรานี่ทีเถือนมากอย่าไปติดคำโทษ คือไม่อยาเห็นว่าเป็นตัวเราาไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆมันโงกบางทีต้องเข้าใจถ้ามันถ้ายังไม่เห็นภาวะนมันเข้าใจไม่ได้เห็นมันเจ็บมั่นตัวมันหิวเห็นมันหิวกินข้าวอะไรอะไรมันเอียมันเห็นมันเอมยงก็มันเอียอย่างนี้อย่างนี้กินอร่อยเอออร่อยอย่างนี้อย่างนี้แม่อร่อยก็รู้มันไม่อร่อยอย่างนี้องนี้ แต่นี่ไม่ไปเน้นนีนของอร่อยไม่อร่อยแต่ก็เน้นว่าเออาหารที่กินเข้าไปสิ่งนี้เป็นประโยชน์ไหมกินแล้วจะให้โทษไหมอย่างหวานหวานนี่ใครใครก็ชอบเนี่ยกินมากมันไม่ดีแน่เลยเดี๋ย ว, า ว, าย ว, าวาจะเป็นเบาหวานมีแต่เบาหวานมีแต่เป็นโรคอื่นขึ่นมาอีกคนเราจะชอบ จี๋ของมันไม่อร่อยอแต่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอ่าก็ต้องกินน ะ, ะไปอย่างนี้อย่างนี้อยู่ไม่ได้กินด้วยอร่อยแต่กินด้วยประโยชน์เห็นประโยชน์นะให้คุณค่ามีคุณค่ามีประโยชน์แล้วเรากิกนไปร่างกายเราใจดีสุขภาพยังดีไปเย็นชมายหน่อย ไม่เจ็บไม่ไข้จะได้สบายหน่อยถ้าไม่รู้จักกินแล้วก็กินด้วยเอเดี๋ยว่เกิดเจ็บไข้ได้ปวดก็ต้องแต่หาหมอก็เดือดร้อนดีและยุ่งมีปัญหาล็สร้างปัญหากันเนี่ยนะเนี่ยคนหนึ่งหัวเนี่ยพอเราถ้าไม่เราไม่เห็นตัวเองไม่รู้ชักตัวเองอย่างเนี้ยความรู้สึกของเรานั่นเองเราไม่เห็นนะ เราไม่รู้เท่าทันมันเลยเราไปอยู่ในอำนาจของมันตลอดเวลามันก็พ า, าเราหลงอยู่เรื่อยเดี๋ยวยาอยังนู้นอย่างนี้เอาเพาะอยา อ, อาาะก็ไปซื้อหามาหรือทำอย่างให้ก็มากิน <c ười> เรือเอามาใช้เลยก็แล้วแต่ไอ้ น, นี่มันจะไม่มีอยากไม่อยากดูว่าเออมันมีความจําเป็นไม่จําเป็น ที่กเป็นไปเพื่ชีวิตมันดำรงอยู่ง่ายหน่อยนีย่ก่อนเนี้ยบอกมานั่งเนี้ยบอกนี่มันนั่งรู้สึกว่าสบายอยู่นี่นั่งไม่ได้นั่งแล้วยิ่งปวดเออมาขัดกันเลยเอ้ยอยังไงรู้่าอเอามานั่งนั่งแล้วรู้สึกสบายแข้งขาเนาะแตนี้นั่งแล้วไม่สบายเลยไม่ไม่นั่งแล้ว อย่างเงี้ยไม่เจ็บอันนี้เงี้ยไม่ไม่เจ็บไม่ปวดนั่งสามนาทีได้แต่เราต้องเคยขยับอยเรื่อยๆขยับนิดขยับนิด น, นี่ น, นั่งตัวตรงแลนั่งตัวมอสุด ก, กายไม่เก่งหลังนะหลังเอวรู้จักที่คลายผ่อนคลายยืดหลังยืดเอวหายใจยงไงกอดโถงโล่งอกโล่งใจรู้จักไม่อันไม่ก้าน ร, ร่างกาย ก, ก็ไม่เก่ง เนี่ยรู้อย่างนี้จิตมันก็ว่ามันก็ไม่ไปคิดอ่ะต้องทำอย่างเงี้ยต่อเนื่อต่อเนื่อแล้วก็เป็นไปเพื่อสบายด้วยโอ้สบายอยูบบ่สบายสบายมันก็จะไปนึกเมฆมันก็ จ, นจิตใจก็จะไปไปคิดนู่นคิดนี่นึกน่นนึกนี่เนี่ยภาษาตาราเนี่ยก็ถือว่าดำลิเป็ยู่ธีการดําำลิของเรานะอันนี้หมายถึงนึกคิด นึกถึงเรื่องนั้นนึกถึงเรื่องนี้นัน่นแหะเรียกว่าดำริวันท่าเราเห็นจิตใจเราเดี๋ยวดำริชอบดำริที่ออกจากกลางดำริที่ออกจากความอยากตหมายถึงว่าเราก็ดูจิตใจก็ อ, อยากมันมีเป็นไปเพื่อไม่มีความอยากเอ่าอนน อ, าอให้เรารู้สึกตัวพอเราโลดตัวโลดเนี่ยโลดเท่าทานันมันจะไปนึกอยากอยากมันจะไปนึกอยากอะไรนั้นไม่ได้นี่ครับ คยกันคยกันคอยก like. ันไว้แล้วปัญญามีปัญญานี่เรีต้องมีปัญญาปัญญาคอยกันคยกันคยกันไอนนี้ทําบ่อยๆตายหมดเลยความอยากก็ตายหมดเลยอยากไม่ได้แล้วไม่อยากเลยความอยากจะไม่มีเลยความต้องการก็ไม่มีตายหมดนี่เรียกว่าตายก่อนตายใหกิเลสตายอันนี้เราไม่รู้เท่าทัน เราไม่ดีละดีเลิ ก, ก, ล ก, ก็อยากแล้วก็ทาไปตามความอยากอยากแล้วก็ทำพอยอย่างจบอยู่นั่นแหละนะอยา่าอย่าหวังในนิพพานอย่าหวังในเรื่องความพ้ทุกมีองค์กามาตาปีสัมปะชันโดสติมาวิเดยยะโดแกปิชาเาวนาสัง มีความเพีเครื่อนเขาวิเดรมีสติมีสัมปชัญญะและความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มายถึงมีสติดูสิดูเชยหรือไม่จะมีอยากไม่อยากก็้วมันเฉยเฉก็มันไม่ใช่อยากแล้วทำไปตามทางอยากหรือไม่อยากทําไปตามทางไม่ครับโอ้อย่างนี้ก็เสร็จสีครับนะตายไม่รอดอย่างนี้นะตกนรกอยู่นั่นเลยไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะ หรือมมนเลยไม่เลยนิพพานแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าเราให้มันอยู่เนื้อมันิก็ต้องดูไงมีสติแล้วมีสติแล้วรู้สึกรู้จิตรู้ใจมันจะอยากกินอะไรก็อยากก็อยากไปแล้วไม่กินเราก็เฉยเฉยเลยมันอยากก็รู้ว่ามันอยากรู้มันอยากที่มันอยากไงหรือมันต้องการดู แต่เราไม่ทาอะ่ะไม่เอามาคุณมันว่าเถอะไม่มเียนมัน่ะไ <c oughs> อ้ น, นี่ต้องฝึกก็ต้องหัด <c oughs> แต่านี้เราเลิกล่นไม่ได้ <c oughs> อยากกินแล้วก็ไม่กินดูที่เป็นอยา <c oughs> อยากไปโนมานี่โไม่ไปเป็นไงไม่ไปดูที่เป็นไง นี่ยก็มันเอาดิเนือมันชนะมันไี่นด้เดี๋ไม่อยากทำอย่างนี้ทําก็ไม่อยากทําก็ไม่ทำนี่อยากทําก็ทํานะเกินไหวอย่างนี้เลยจงกรมก็ฝึกรู้จิตรู้ใจมันอยากทําอยากทําหรือไม่อยากทําก็ต้องทาอยากทําก็ทำไม่อยากทําก็ทำเรื่องอย่าไปตามใจตัวเองเหมือนกันนะ พอเราก็ตามใจโดยเองนึกอยากทํำก็ทําไม่อยากทำก็ไม่ทําอย่างนี้ก็เจ๊งทุกทีฮะก็ต้องอยู่เหนือนั่นแหละ่อยืดแล้วเลื่อนนัดีอยู่เนีืออย่ากตกเป็นทาสพอเราตกทาสตอกเป็นทาสมันนับทาสไม่ถ้วนทําไมมาแก้ไขตรงนี้ก็ไม่จบนี่ยิงเลี้ยวโทนจับแสงอย่างพรพูดเจ้ารอยทาง กนะอนที่จะตัดสะลุอธิษฐานขันข้าวของนางสุ ช, ชาดาขันข้าวเสร็จแล้วก็เลยลอยขวายทังถาบ ล, นะล้นัก็แล้เอาขันเอาถาบนไปลอยน้ำมันไหลมาอธิษฐานก็ถ า, า, า, าถ้าไม่ได้ตัดสะลุแล้วก็หายถาบเนี่ยวางไปมันไหลต า, ามน้ำเลย ทาไใดตัดสรุปให้หลายโทนนะอันนี้มันเป็นปริศนาธรรมให้ไปอธิษฐานยัง ไ, ไงไม่มีทางอ่ะมันคิดัปจะรวยลอยฐานน้ำหมายถึงจิตใจเรานี่แต่ว่าจิตใจนี่ทวนจะแสได้าแต่ในน้ําในคลองน้ํามันไหลนี่จะให้มันลอยลอยลอยลอยโทนน้านี่ไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้ว่ เนี่ยคนเราถ้าไม่ใช้ปัญญาก็เลยคิดว่าโอ้เนี่ยขุ่นเจ้ามีมีเล็บเป็นไปได้ยังไงเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไหนใช่ปะ่ะแต่มัด้วยจิตใจเราไม่ทำตามไม่ไหลาตามกระแสของจิตที่ต้องการต้องการไม่ต้องการจะไมหลที่ตามอันนี้ผมทำมาแล้วต อ, อนนี้ฝุกแรล้ไม่รูน้ อยากเดินก็เดินไม่อยากเดินก็เดินที่เกียรก็เดินใชไม่คาเียงแต่ใจมันจะต่อตาเนะต่อตาเนทำเราก็ต้องืนเดินเอาใชไหมแม่แต่างานรอยากเดินก็เดที่เกียร์ทำก็ต้องทำายยันก็ทำที่เกียก็ทำไม่ที่เกียร์ี่เกียก็ไม่ทม ไม่ต้องรอมันอยากทําำก็ทําไม่อยากท ำ, ทำกทำ็เลยไม่ทําทีนี้ตามใจตัวเองอยู่เรื่อยๆอย่างนี้มารู้ทายากพอเราเนื้อมันได้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเราจะรู้จักเลยโอไอ้ตรงนี้พอเนือได้แล้วอย่างก็เห็นถ้ายังเนือไม่ได้เห็นไม่ได้